แกนี่มันเหมือนกับว่าพระเจ้าเจิตนาจะส่งมาให้เฉื่อยเฉืนอยฉันซะจริงๆนะสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วที่โลกนี้จะต้องเลือกเอาว่าระหว่างแกกับฉันนะ่ะใครจะนอนอยู่ในหลุมใครจะยืนอยู่บนดินแง้ท า, ายหัวเราะทำไมโลกถึงจะต้องเลือกโง่ๆ อ, อ, อย่างนั้นด้วยล่ะครับก็เราต่างคนต่างยืนอยู่บนดินไม่ได้เลยครับดินคนละฝากฝั่งไม่จำเป็นต้องพบเห็นกันอีกแล้ว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 แงา่ายหัวเราะขึ้นอีกครั้งน้ำเสียงกลางวานันแล้วก็ให้ตายเถอะครับผู้กองผมก็ไม่ได้ขอร้องให้ผู้กองรักผมเลยแม้แต่สักนิดหนึ่งแล้วถ้าผมเป็นระพินไพรวันน่ะผมก็จะเกลียดไอ้คนที่ชื่อแงาซายเหมือนกันแล้วก็ยิ่งแค้นใจหนักไม่กรณีที่ข่ามันก็ไม่ตายขายมันก็ไม่ได้นี่ถามจริงเถอะแกจะใช้วาจายวนยู่วฉันไปถึงไหนนะ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 นอหนึง่งงอกบนดั้งจมูกเช่นเดียวกับแรดอีกสองนาะงอกอยู่เหนือกระบอกตาในลักษณะเขาทั้งสามนอแหลมคมยาวเกือบจะสองฟุตรครับกินพืชหรือกินเนื้อตามความรู้สึกของแกผมคิดว่ามันกินพืชอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แรดอาร์ซีนอนอย่างที่เราพบกันมาแล้วเหรอแงซายสันสีสับไม่ใช่ครับ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 กิ่งไม้ใบหญ้าและพืชพันธุ์ที่ขึ้นอยู่ในแอง่งถูกไฟเผาผลาญเป็นเถ้าถ่านดำวางกายซ้อนกันอยู่กระจัดกระจายทั่วไปและดูเหมือนเตาเผาถ่านขนาดยักษ์ใจกลางก้นเหวอมีสภาพเหมือนเตาเผานั่นเองซากของสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งนอนกองพเนินเทินทุกอยู่และผาดผาดราวกะโคตหินผิวด้านนอกถูกไฟเผาสุก ด, ดำเป็นตอตะโก แต่บางส่วนถูกแฉถูกฉีกแหวะออกไปเห็นเนื้อสีแดงคล้ำระคนเลือดขุ่นดำและเครื่องในบางส่วนซึ่งบัตรนี้กำลังจะเริ่มเน่าทรงกลิ่นมีมแมลงวันตอมเต็มลักษณะรูปร่างของมันตรงกับที่แง้สายบอกไว้แล้วล่วงหน้าทุกอย่างส่วนขนาดนั้นพอๆพอกระช้างไดโนเทเรียบจอมพรานขมวดคิ้วจ้องดูภาพและสิ่งแวดล้อม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 เห็นได้จากความพินาศของป่ารอบด้านก้อนหินใหญ่ๆ ห, หลายก้อนถูกชนประทะพลิกกลิ้งขยับไปจากเดิมและต้นไม้ใหญ่ขนาดโคนขาอ่อนหลายต้นขาดสะบั้นยับยืนเนินดินทั่วไปในละแวกข้างเคียงก็ปรากฏรอยถูกขิดด้วยเขาหรือนอซึ่งก็คงจะเป็นของเจ้าสัตว์ที่นอนตายอยู่ก้นเหวตื้นตัวนั้นกระจุยกระจายไปหมดระหว่างที่แงายยืนนิ่งเฉยอยู่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 ตลอดจนแสดงความโกรธแค้นเกลี้ยกราดดุร้ายเมื่อพบว่าคู่ของมันกลายเป็นซากไปแล้วโดยฝีมือการล่าจากฝ่ายตรงค่าจอมพรานเดินเลาะขอบเหววนกลับมายังที่เก่าที่แงสายยังยืนสงบอยู่วายากับพวกประมาณสามสิบถึงสี่สิบตัวไล่ตอนไอตัวนั้นมาที่เหวตรงนี้เขาพูดเบ า, เบา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 ไม้แทบจะหมดทั้งป่าแถบนี้ทีเดียวที่มันช่วยกันขนลงมาโยนลงไปในบอ่อนั่นแง่ท า, ายยิ้มขรึมๆผมยังนึกไม่ออกจนกระทั่งบัตรนี้นะครับว่ามันทำไฟขึ้นได้ยังไงแง่ท า, ายอย่าลืมสินะวายาซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกมันทุกตัวนะเป็นคนนะไม่ใช่สัตว์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 โดยไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเสียได้เพราะไต่ลงมาถึงพื้นชั้นล่างอันเป็นลานกว้างหน้าชานของนครลิงปรากฏว่าขยินและบุญคำสองคนออกมายืนกระวนกระวายคอยอยู่ก่อนแล้วทั้งสองมองเห็นพรานใหญ่และงแง่ทรายไต่หน้าผาลงมาอย่างถนัดตาแต่ขณะนั้นยังไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้เพราะทั้งคู่ลงมาถึงต่างก็วิ่งตรงเข้าไปโดยเร็วนาย นายไปไหนมาขึ้นไปตามไอ้แงซทายเหรอบุญคําร้องถามเร็วปรือสีหน้าตื่นประหลาดใจส่วนขยินก็รีบบอกว่านายใหญ่นะให้ขยินตะกระตาเท่าออกมาตามไม่รู้จะไปตามนายที่ไหนไอ้จะถามไม้ลิงพวกนี้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องก็พอดีเห็นนายกับไอ้แงซายปีนหน้าผาลงมาระพินไม่ตอบความคนทั้งสองแต่กลับย้อนถามโดยเร็ว ขณะที่เดินตรงไปยังเวิ้งหน้าผาว่านี่นายหญิงเย็บแผลคนลิงเสร็จแล้วหรือยงังอ่ะโอ้ยเสร็จต้องพักใหญ่แล้วละนายไอ้พวกขีดขินทั้งหลายนะ่ะมันช่วยกันขนลูกไม้น้ำผึ้งแล้วก็เนื้อมาเลี้ยงดูพวกเรามากมายทีเดียวถ้าทางพวกมันน่ะดีใจมากนะนายที่นายหญิงกับนายแม่มช่วยรักษาเจ้าเมืองของมันนี่ทาไมคิดจะไปไหนอีกแล้วละก็บุญคาว่าพวกเราทุกคน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 เชื่อเธอหน้าผู้กองไอเสือนั่นไม่ตายหรอกถึงผมไม่ใช่หมอผมก็ทาพนันได้นี่อย่าเพิ่งไปกังวลถึงเรื่องนั้นก่อนเลยถึงยังไงแม่หมอผู้สามารถเขาก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเรามาพักผ่อนล่อบโภชนาหารที่ข้าราชบริพารเมืองขีดขินหามาเลี้ยงดูนิดะก่อนดีกว่าหิวจนตาลายแล้วพวกเรานะ่รอคุณกระแง่ทรายรู้ปะ่ะเห็นหายออกไปนานก็เป็นห่วง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 ระหว่างที่น้อยช่วยตัวในายใหญ่ของมันไอทหารเอกในเะจ้า ก, กี่เจ้า ก, การที่สุดตัวนั้นก็เดินออกไปข้างนอกเชษถาบอกเขายิ้มยิ้มทุกคนมีอารมณ์ปลอดโปร่งแจ่มใสขึ้นด้วยไมตริจิตมิตรภาพที่ได้รับจากชาวนครลิงพักใหญ่พวกมันหลายตัวก็ช่วยกันขนผลไม้รากไม้และอาหารเหล่านี้เดินเข้าแถวมากองไว้ให้พวกเราทั้งหมดนะตอนนี้ไม่ใช่ฉเฉลยของมันแล้วละรพิน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 มันก็มีตำแหน่งเป็นขุนทหารหรือแม่ทัพมือขวาของพระเจ้ากรุงขีดขินนั่นแหละโชคดีเหลือเกินนะที่ผมไม่เกิดเรื่องฟัดกับมันซะก่อนระหว่างทางที่มานี่ชัยยันบอกบนหัวเราะคุณน่ะโง่ามากนะชยันฉันบอกคุณหลายครั้งแล้วว่าเจ้าลิงพวกนี้นะ่ะไม่ได้มาร้ายกับพวกเราเพียงแต่ระหว่างเรากับมันนะครั้งแรกยังไม่สามารถจะทำความเข้าใจกันได้เท่านั้น มาเรียต่อว่ามาเมื่อหวนนึกถึงภาพของชัยยันที่รำรำจะเกิดเรื่องประทะกัททหารเอกเมืองขิดขินอยู่บ่อยครั้งระหว่างที่มันคุมตัวมาอดีตนายทหารปืนใหญ่หัวเราะฮือ <c oughs> ในลําคอพลางยักไหลช่วยไม่ได้ก็ใครจะไปตรัสรู้พูดกันก็ไม่รู้เรื่องคุณเองก็ระวังตัวดีเถอะถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่อยากจะวางใจมันสนิทนะ ตอนรับเลี้ยงดูพวกเราเป็นอย่างดีก็จริงเพื่อเราช่วยเหลือเจ้านายของมันหลังจากนั้นแล้วมันอาจจะอยากได้เมียมนุษย์งามงามสักคนก็ได้นี่เมื่อไหร่จะเลิกพูดจาไร้าสาระไม่เป็นประษาอย่างนี้สักทีในชยันดารินร้องมามเบาๆแล้วมองไปทางแง่ทรายซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามใกล้กระพินแง่ทรายเธอกับผู้กองไปไหนกันมาเห็นบุญคาบอกฉันว่า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 รดกินอาหารกันให้อิ่มเรียบร้อยซะก่อนเถอะครับประเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งดีหรือสิ่งร้ายละ่ะช้ยันใจร้อนกว่าคนอื่นๆซึ่งเพียงแต่มองเขาอย่างฉงนก็น่าจะเป็นสิ่งดีสิ่งมงคลครับเอ๊ะอะไรกันร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกั บ, บพิกลางกระมังดารินถามบ้างไม่ใช่หรอกครับอะไรกัน อยากรู้เหลือเกินเก็บเงียบอยู่ได้บอกซะเดี๋ยวนี้ก็ได้นะก็ถ้าผมบอกทุกคนก็จะตื่นเต้นเส้จนกินอะไรไม่ลงแล้วก็คงเร่งร้าวให้ผมพาไปดูด้วยตาตัวเองเสเดี๋ยวนี้สู่ทานอาหารให้อิ่มหนำและพักกันให้สบายสะก่อนดีกว่าเพราะถึงยังไงเราก็ยังมีเวลาเหลือเฟือแะครับคำพูดของเขาทาให้คณะนายจ้างทั้งหมดยิ่งประหลาดใจและกระหายที่จะได้ทราบเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม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 คงตั้งกองรวมไว้อยู่ในเวิร์งถ้ำที่อยู่ของจอมวานอนเช่นเดึมระหว่างที่ทุกคนกําลังแงหน้าขอตั้งบ่ามองขึ้นไปยังหน้าผาอันสูงชันซึ่งพรานใหญ่ชี้ให้ดูนั้นรพินกระดิกนิ้วเรียกแง่ท า, ายเข้ามาใกล้แง่ทรายท้งด้านหน้านี่มันสูงชันมากนะไม่เหมาะที่จะให้พวกเราทั้งหมดเสี่ยงปีนขึ้นด้านนี้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 แต่เราก็ควรจะลองเดินตามมันไปมันอาจจะมีเจตนานำทางเราขึ้นไปยังอาสมของฤาษีองค์นั้นก็ได้ถ้ามันรู้จุดประสงค์ของเราบางทีอาจจะมีหนทางลับและสะดวกกว่าที่ผมค้นพบเอาไว้แล้วพรานใหญ่ขมวดคิ้วคลางแคลงใจเขายัางไม่เชื่อสนิท ต, ตามที่แง่ทรายบอกนักว่าเจ้านิลเพชรจะสามารถล่วงรู้เจตนาของฝ่ายมนุษย์ในขณะนี้ได้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 ตามจุดหมายที่ระพินเชีย่ยเห็นแล้วว่าคงจะต้องปีนหน้าผาชันกันขึ้นไปแล้วก็เฝ้ามองด้วยความหนักใจอยู่ครั้นแล้วจู่ๆทั้งระพิน์กับแง่ทรายก็ออกเดินเลาะไปตามป่าหินชายตีนผานั่นมีน้ำซ้ำยังมีเจ้านิลเพชรมาทําหน้าที่มัคคุเทศเดินนําอยู่ข้างหน้าด้วยเอ้าวคุณงแง่ทรายไม่ได้ปีนหน้าผานี้ขึ้นไปหรอกหรอกตอนที่ขึ้นไปพบฤาษีองค์นั้นน่ะและนี่กําลังจะเดินไปไหนอะ่ะ เชฐาถามหนทางด้านนี้มันสูงชันแล้วก็เสี่ยงอันตรายเกินไปครับจอมพรานอธิบายเรียบเรียบกับนายจ้างผู้สูงศักดิ์ของเขาแงาซายบอกว่ามีทางขึ้นสะดวกกว่านี้แต่ไกลออกไปหน่อยผมก็เลยตัดสินใจเลือกเอาเดินไกลดีกว่าจะพากันไต่หน้าผาชันซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยไม่จาเป็นครับแล้วโน่ล่ะ ดารินบุ้ยปากไปยังด้านหลังของเจ้านิลเพชรซึ่งเดินนาอยู่นั่นมันจะพาเราไปไหนอ่ะฉันเห็นมันหันมากวักมือเรียกแล้วคุณกระแงสายก็เดินตามมันไม่ใช่เหรอมันจะพาเราไปไหนก็ช่างมันเถอะครับสาคัญว่าเราไปของเราก็แล้วกันถ้าผิดเส้นทางของแง่สายเราก็จะไม่ไปกับมันเพราะทางของเราก็มีอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามันจะนาไปทางเดียวกับที่แง่สายบอกไว้ครับ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 ถูกว่าเอาจังๆต่อหน้าพักพวกคนอื่นๆอีกหลายคนเขาแบบนี้ชัยยันก็เลยสงบนิ่งไปไม่เอ่ยอะไรอีกนอกจากยักไหลดารินได้ทีก็เอ่ยมาลอยๆว่าฉันก็ว่าไม่ชา้าหรอกคงจะถูกฝังอยู่เมืองลิงนี่แหละพอชัยยันเอ้ยทั้งหมดจับกลุ่มเดินเข้าขบวนกันไปอย่างสงบมีปัญหาอีกมากมาย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 เพราะถึงยังไงมันก็ตัดขึ้นเขาลูกนี้ในทิศทางเดียวกันครับสำหรับกระพินไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นหลงเมืองแงซายยอมเดินตามไอ้ธมูลนั่นไปเขาก็ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการตัดสินใจของแงซายได้โดยไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะรู้มือกันดีอยู่แล้วหนทางที่ไต่สูงกันขึ้นไปในมุมประมาณ75องศานั้นชั่วไม่นานก็บรรลุ ถึงขอบไหลตอนหนึ่งของลูกเขาซึ่งเป็นทางด่านขนาดใหญ่สายเดียวกับที่พรานใหญ่และแง่ทรายเดินย้อนลงมาดูซาดเจ้าสัตว์สามเขาที่นอนตายอยู่ในหิวตื้นๆ น, นั่นเองมักคุเทศเมืองวานอนดำพิสูจน์ออกมาให้เห็นชัดว่าได้ซาดถึงเจตนาของฝ่ายมนุษย์และนำทางมาให้อย่างถูกต้องหรือมิฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการบังเอิญอย่างยิ่ง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 สังเกตจากนอรืเขาทั้งสามบนศีรษะอันหนึง่งโผล่งอกออกมาจากดั้งจมกูกเหนือริมฝีปากบนเหมือนแรกส่วนอีกสองน อ, งอกอยู่เหนือกระบอกตาทั้งสองด้านก็ไม่น่าสงสัยอะไรอีกในกรณีที่ว่าทำไมวายาถึงใส่ไหลในการไล่ล้อมล่ามาันมันเป็นสัตว์ใหญ่ดุร้ายและมีพลังเหนือกว่าลิงดำพวกนี้มากนะัก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 และลิงพวกนี้ได้ขึ้นอีกมากทีเดียวมันยืนยันให้เห็นชัดว่าเขาคือมนุษย์อย่างเราเรานี่เองมนุษยชาติเพียงคนเดียวที่อยู่รวมกลุ่มกระลิงฉลาดเหล่านี้โดยตัวเขาเป็นหัวหน้าผู้ครองมันดาริมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นปมกังวลอยู่กับเจ้าสัตว์ใหญ่ที่กลายเป็นซากอยู่ในเหวตัวนั้นหลันจ้องดูลักษณะของมันอยู่เป็นเวลานาน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 จากลักษณะรูปร่างของเจ้าสัตว์ประหลาดซึ่งฉันสนนิษฐานว่าจะเป็นไดโนโประเภทมีเขาที่หลักวิชาเขาเรียกว่าไทเซราทบอปมันเป็นสัตว์งุ่มงา่ามเคลื่อนไหวไม่ได้ปราดเปรเียวว่องไวนักแต่ก็ทรหดบึกบึนดูรา้ายทว่าก็ปราศจากมันสมองตามหลักวิชานะมันเป็นไดโนพันธ์ที่มีเขาซึ่งใหญ่ที่สุดเหนือกว่าพวกมีเขาทั้งหลาย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 โดยเข้าใจว่าเป็นรอยเท้าของเจ้าตัวที่ตายไปแล้วยกเว้นแต่พวกพรานพื้นเมืองผู้ชำนาญซึ่งบัดนี้เดินเดินเงยเงยตรวจ ด, ดูรอยชนิดนั้นด้วยความสงสัยเพราะความเก่าใหม่ผิดกันรพินสะ ก, กิดแง่ายให้ไปเตือนพวกนั้นไว้ซะไม่ให้ใครปริปากพูดถึงสิ่งผิดปกตินี้ขึ้นเพื่อตัดปัญหากังวลใจของฝ่ายนายจ้า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 ระพินก็เร่งให้ทุกคนออกเดินทางต่อไปโดยเร็วโดยผ่านพน้นบริเวณนั้นมาซะเมื่อกลุ่ ม, มนุษย์เริ่มเคลื่อนหน้าต่อไปเจ้าลิงพวกนั้นก็ตามมาด้วยเช่นเคยนายจิงนะเป็นคนมีเมตตาและชอบช่วยอยู่เสมอจอมพรานกระซิบกับแงใสานายใหญ่ก็จะขัดน้องสาวไม่ได้รวมทั้งคนอื่นๆด้วย เราต้องการออกจากนะครลิงของวายาให้เร็วที่สุดทันทีที่ได้สัมภาระคืนไม่เชเสียเวลาอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อช่วยวายาปราบศัตรูเวลาเดินทางของเรานะ่มาจจำกัดเข้ามาเต็มทีแล้วหวังว่าแกคงเข้าใจนะแง่สายแง่สายไม่ตอบว่ารไรนอกจากก้มศีรษะนิดนึงรับคำเขาครั้นแล้วอีกไม่นานต่อมา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 ตลอดระยะเวลาแห่งการผ่านพจนภัยมันนับครั้งไม่ถ้วนของเขาไม่เคยมีครั้งใดที่จะพบกับความแปลกประหลาดมหัศจย์ใจเหมือนเช่นที่เห็นอยู่ในกับตาในขณะนี้และโดยไม่เอ่ยคำใดขึ้นทั้งสิ้นเชษฐาวราริษ์เริ่มเคลื่อนออกจากที่ตรงเข้าไปยังอาสนะศิลาซึ่งมีร่างชวนฉงนนั่งสมาธิหลับตาแน่วหนิงประดุดท่อนหินนั้นอย่างแช่มช้า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 ที่เพียงแต่ชุดกายลงนั่งเฉยๆเพราะไม่สันทัสในเรื่องกราบไหว้มาก่อนความเป็นดุดสนีภาคคงปกคลุมไปทั่วบริเวณอยู่เช่นเดิมขณะจิตต่อมาเชษฐาหันไปมองหน้ารพินอีกครั้งเหมือนจะถามว่าร่างอันนิ่งประดุดท่อนหินนี่นะหรือที่ว่าพูดได้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 พระคุณเจ้าขอรับพวกผมได้ทราบจากพรานนาทางว่าพระคุณเจ้าบำเพ็ญตบะฌานจำศีงอยู่ที่นี่จึงชวนกันขึ้นมาเห็นด้วยตาเพื่อ น, นมัดสการเยี่ยมเยียนกันทั้งหมดเมื่อได้มาเห็นกับตาตนเองแล้วเช่นนี้ก็รู้สึกปลาปลื้มปีติใจล้นเหลือเหมือนได้พบพระอระหันต์มาโปรดพระคุณเจ้ามีอดีตมาจากที่ใดและมีความเป็นมาเช่นไรจึงมาจาศีอยู่ที่นี่ขอรับ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 ว่าร่างนี้จะเป็นมนุษย์บุตุชนนอกจากนอกจากเราจะเรียกอะไรดีโยคีผู้สำเร็จแล้วย่อมไม่ใช่มนุษย์ปุทุชนไม่แต่เป็นสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึง่งซึ่งดนและบรรดาลได้เช่นเดียวกับเทพเจ้าเชถาให้ความเข้าใจแกมารีมาอีกคนหนึ่งด้วยเสียงกระซิบกระซาบแล้วทำสัญญาณให้หลอนสงบปากสงบคาซะ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 และไม่เคยเชื่อมั่นยึดถืออะไรทั้งสิ้นนอกจากกฎของวิทยาศาสตร์และสูตรเคมีบัดนี้ก็ถึงกับก้มลงหมอบกราบกรานไม่บางอาจที่จะคิดค้นคว้าพิสูจิ์ใดๆออกมาทั้งสิ้นถึงหมอดารินก็ไม่กล้าบางอาจเอาความเป็นแพทย์และนักมานุษยวิทยาของหล่อนเข้ามาวินิจฉัยร่างประหลาดซึ่งแลพ่า ด, ดว่าน่าจะเป็นศพตายซากมันานานนับศตวตรรษนี้ได้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 ก็พี่ชายของเจ้าเองคนหนึ่งและพรานนำทางอีกคนหนึ่งใช่ไหมล่ะก่อนที่ดาริงจะทันพูดจบประโยคอันอั้ำอึ้งอยู่นั้นโกนทัญญะมุนีก็เอ่ยความมาอย่างสงบทำให้ทุกคนรู้สึกซาบซ่านจากเส้นผมไปจรดปลายเท้าตลอดเวลารพินนั่งสงบนี่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 ได้มาพบเห็นเรานี้จงถือเสมอว่าเป็นมงคลต่อชีวิตของพวกเจ้าแต่ละคนทึดอย่ามุ่งหวังสแสวงหาประโยชน์ดใดๆในทางโลกจากเราเลยทุกผู้ที่นั่งประชุมกันอยู่นะที่นี้ก็ยอมจัดรันหนักในตนเองดีแล้วว่าได้ประกอบกรรมใดไว้บ้าง กรรมนั้นนั้นก็ย่อมจะส่งผลสนองตอบเมื่อถึงเวลาของมันไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก่อนที่ดาริงจะขยับปากพูดอะไรต่อไปพี่ชายก็สะกิดไว้กระซิบว่าน้อยอย่าไปเรื่องราวถามออาประโยชน์อะไรกับท่านเลยท่านประพฤติแล้ววางตนอยู่ในกรอบของผู้ทรงศีลที่ชอบแล้ว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 ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราพบแต่พูดผีปีศาจและสับประศ ร, รายแต่เดี๋ยวนี้เรามีโอกาสได้พบและกราบไหว้พระโสดาบันเป็นสิ่งที่เราควรพอใจที่สุดแล้วเราสนทนากับท่านในสิ่งที่ไม่ทําให้ท่านต้องผิดศีลดีกว่าน้องสาวอึ้องไปในบัตรนั้นมองดูร่างนั้นอย่างผิดหวังแต่ชายันก็ยังไม่ละความพยายาม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 อดทนเป็นที่ตั้งเหมือนอย่างที่พวกเจ้าปฏิบัติมาแล้วตัดความโลภออกไปจากจิตสำนึกซะนั่นคือประทีปชัยที่จะส่องทางไปถึงทุกแห่งที่ปราถนาจับไปโกนทัญญะมุนีตอบคำชัยยันอย่างเต็มไปได้วยปริศนาชวนคิดทำเอาชยยันงันไปอีกคนหนึ่ง มารีแอบกระซิบดารินถึงข้อความสนทนาพอทราบโดยตลอดหล่อนก็ทําตาโตร้องออกมาเบาๆว่าอย่างโง่นาน้อยมันเป็นโอกาสของเราแล้วที่จะให้ท่านบอกอะไรแก่เราที่ยังไม่รู้ชวนคุยหลอกล่อก็เถอะหรือท่านก็คงยอมบอกออกมาเองแหละมิอย่างเหรอรู้อะไรต่ออะไรสารพัดแล้วแกล่งหูปากนิ่งไม่ยอมบอกเราอย่างเงี้ยดารินใจหายวูบ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 ราจะสกุลสาวตวาดอย่างฉุนเฉียวเดือดดานที่มารีใช้วาจาอันไม่สมควรแสดงถึงจิตใจอันไม่เคารพเลื่อมใสอะไรนักผิดกับฝ่ายของหล่อนทุกคนซึ่งนบนอบคาระวะอยู่ในขณะนี้อดีตพัญญาม่าของดอกเตอร์ฮอฟมันจึงนิ่งเงียบไปพร้อมกับโครงศีรษะไปมาหล่อนกำลังคิดพิเรนอยู่ในใจว่าทาไมเกงใจทุกคนที่นั่งอยู่พร้อมในขณะนี้แล้วก็ จะลองแก้ผ้าเข้าไปปล้ำฤาษีองค์นี้ดูสักทีแล้วดูสิว่าจะยอมพูดอะไรที่หล่อนต้องการให้พูดออกมาไหมโชคดีที่ไม่มีใครอ่านความคิดภายในของหล่อนออกหรือกลนั ญ, ญมุนีผู้มีทิพยานจะล่วงรู้ความคิดสนๆราสาสัตว์โลกของแม่สาวผมทองผู้นี้ท่านก็อาจวางเฉยเป็นอุเบกขาซะไม่คิดจะตอแยะอะไรด้วยให้แปกเปลื่นพรหมจันร์ ตามวิสัยของผู้สำเร็จแล้ว loyalty, <store S 2> ปราศจากซึ่งโทสะจริตความขุนเคืองโกรธแค้นใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะแผ่เมตตาให้เมื่อหมดหวังที่จะขอทราบอนาคตได้จากผู้ท well รงศ <Werk recreation. S 2> ีลเฉษฐาก็สนทนากับท่านในเรื่องอื่นอีกสักครู่ใหญ่เกี่ยวกับวายาและนครลิงที่อยู่เหนือหน้าผาลงไปซึ่งท่านก็ไม่ให้ความกระจ่างใดๆ